สพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกล ม, มหาสังฆปริณายกทรงอนุญาต เสนาสนะในสามพรรษานี้พระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาที่พระเวฬุวันมีเรื่องที่น่านามาเล่าบางเรื่องสืบต่อไปคือเรื่องทรงอนุญาตเสนาสนะคําว่าเสนาสนะแยกออกเป็นสองเสนะแปลว่าที่นอนอาสนะแปลว่าที่นั่งสมธิเป็นเสนาสนะแปลว่า ที่นอนที่นั่งรวมหมายถึงที่อยู่อาศัยด้วยซึ่งจะต้องเข้าไปนอนไปนั่งในนั้นเดิมพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รับอารามดังพระเวรวนันซึ่งเป็นอารามคือเป็นสวนพระเวรุวันเป็นสวนหลวงจึงน่าจะต้องมีที่พักอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แสดงไว้ชัดแต่จะต้องมีต้นไม้มากเป็นแน่นอนเหมือนอย่างที่เรียกว่าสวนในบัดนี้ คำว่าอารามแปลว่าเป็นที่มายินดีมีต้นไม้ร่มรื่นและอาจจะเป็นต้นไม้มีผลแต่ก็มีร่มเงาร่มรื่นคำว่าอารามเดิมก็มีความหมายว่าเป็นสวนต้นไม้ดังกล่าวนี้และเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้รับอารามเป็นที่พักของภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงใช้คำนี้ในความหมายว่าเป็นวัดด้วย ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจึงได้มีนิยมสืบสืบกันมาว่าวัดจะต้องมีต้นไม้ก็เป็นไปตามประวัติที่วัดนั้นมาจากอารามคือสวนต้นไม้ดังที่กล่าวมานั้นที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิวระญาณวโรรสก็ดีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิระญาณวงศ์ก็ดีก็โปรดให้มีต้นไม้ต้นไม้ต้นไหนล้ม ก็โปรดให้หามาปลูกไว้แทนที่ใหม่เพราะวัดจะต้องมีต้นไม้ให้เป็นที่ร่มรื่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวจิระยานวรโรรสได้ทรงสนิฐานว่าอารามที่เป็นวัดในชั้นเดิมนั้นกรรมสิทธิ์ก็อยู่กับผู้ถวายดังเช่นพระเวลุวันก็คงเป็นของหลวงอยู่และก็คงจะต้องมีผู้รักษาซึ่งเป็นของหลวงแต่ว่าได้พระราชทานสาหรับให้สงอาศัยได้ ในชั้นต้นนั้นยังไม่กล่าวถึงเรื่องเสนาสนะคือกุติวิหารจึงมีเล่าไว้ในเสนาสนะขันธ ก, กะพระบาลีวินัยว่าเช้าวันหนึ่งเศรษฐีกลุ่มราชคฤิได้ออกไปเห็นพระพิสุกเวลาเช้าตรู่กําลังออกกันมาจากป่าบ้างโคนไม้บ้างภูเขาบ้างซอกเขาบ้างถ้าบ้างป่าช้าบ้างสมทุมพุ่มไม้บ้างที่แจ้งบ้าง ลอมฟางบ้างและภิกษุเหล่านั้นต่างก็พากันสำรวมเป็นอย่างดีเศรษฐีกรุงราชคริสมีความยินดีเลื่อมใสจึงได้กล่าวว่าพระภิกษุจะรับวิหารที่จะสร้างถวายหรือไม่พระก็ตอบว่าจะกราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็มากราบทูลพระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้รับเสนาสนะคือที่นั่งที่นอนที่ระบุว่านยบาลีห้าชนิดได้แก่วิหาร อันหมายถึงที่อยู่เช่นกุติหรือกระท่อมอัทยโยคะอันหมายถึงที่อยู่ที่บางครึ่งหนึ่งเปิดให้โปร่งไว้ครึ่งหนึ่งปราศาสตรอันหมายถึงเรือนชัน้นหามมียอันหมายถึงที่อยู่ที่มีหลังคาตัดคูหาอันหมายถึงถ้าเป็นถ้ำอิดที่สร้างขึ้นหรือว่าถ้ำภูเขาหรือถ้าที่พ่อขึ้นด้วยดินอย่างใดอย่างหนึ่งพระภิสุ ก็ไปแจ้งให้แก่เศรษฐีกรุงราชคริสเศรษฐีจึงสร้างวิหารขึ้น60สิหลังในวันเดียวกันซึ่งท่านสันนิษฐานว่าคงจะเป็นกระท่อมเล็กๆพอเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งจึงสร้างได้รวดเร็วถ้าไม่สร้างเป็นกระท่อมเล็กๆอย่างนั้นก็อาจจะเสร็จไม่ทันครั้นแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้ไปเสวย และไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้ากับภิกษุ ส, สงฆ์ก็ไปที่บ้านของเศรษฐีนั้นเศรษฐีนั้นก็อังคาดคือถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุ ส, สงฆ์และกราบทูลถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรในวิหารหกสิหลังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้ประดิสถานไว้เพื่อสง์ที่มาจากทิศทั้งสี่ เศรษฐีก็กราบทูลถวายประดิษฐานคือให้ตั้งไว้เพื่อพระสงค์ที่มาจากทิศทั้งสี่พระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาด้วยพระพุทธภาษิตที่ท่านร้อยกรองเอาไว้ขึ้นต้นว่าสีตังอุนหังปฏิหันติเป็นต้นที่มีคำแปลด้วยความว่าวิหารนั้นย่อมกำจัดเย็นร้อนกันสัตว์้ายสัตว์ลื้อขาน และยุงคุ้มฝน ล, ลมแดด ก, การถวายวิหารแดดสูงเพื่อเป็นที่เร้นเพื่อความสำราญเพื่อบำเพ็ญสมะถะวิปัสนาพระพุทธทั้งหลายสังเสริญว่าเลิศเหตุนั้นบัณฑิตแลเห็นประโยชน์จึงให้ทำวิหารอันน่าสำราญแล้วเชิญท่านผู้พระหูสูตรให้อยู่พึงให้ข้าวให้น้ำผ้านึห่มเสนาสะนะ คือที่นอนที่นั่งแก่ท่านด้วยกิจเลื่อมใสในท่านว่าเป็นผู้ตรงท่านผู้ประหูสูตรเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบำบัดทุกแก่เขาที่เขารู้ธรรมแล้วจักเป็นผู้หาอสวะมิได้ป ร, รินิพานในโลกนี้พระศาสดาไดิทรองอนุโมทนาวิหารฐานของเศรษฐีกรุงราชคฤุฑและก็เสด็จกลับทำเนียมอนุโมทนาในสมัยนั้นอนุโมทนารูปเดียว คือเมื่อเลี้ยงพระเสร็จแล้วท่านผู้เป็นประธานก็เป็นผู้กล่าวอนุโมทนาเป็นแบบเทศสั้นๆฟังการรู้เรื่องคือเป็นแบบสอนๆนี่แหละบางทีพระอื่นๆนั่งอยู่ด้วยบางทีก็ส่งพระอื่นๆให้กลับไปก่อนเหลือไว้แต่พระที่จะกล่าวคำอนุโมทนานั้นเพียงรูปเดียวและคำอนุโมทนานั้นก็เป็นคำสอนนั่นเองแต่มักจะปราลร บ, บุญกุศลที่เขาบาเพ็ญมาประกอบเข้าด้วย การถืออุปั ช, ชาอีกเรื่องหนึ่งทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรมมีการอุปสมบทเป็นต้นใบชั้นแรกได้เล่าถึงการทรงสั่งให้พระที่บวชเข้ามาถืออุปัฏฐะยก่อนปารลเหตุว่าพระที่บวชเข้ามานั้นนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเข้าไปบิณฑบาตในบ้านไม่เรียบร้อยมีความประพฤติต่างๆไม่เรียบร้อยในตอนนั้นในพระบาลีก็ไม่ได้เล่าว่า บทวิธีไหนแต่ว่าในครั้งนั้นยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้สงฆ์อุปสมบทด้วยยติเจตุตกรรมอุปสัมปทาก็น่าจะยังใช่บทกันด้วยเอหิภิกขุอุปสมปทาหรือติสรนคมนุปปสมปทาพระพุทธเจ้าได้ทรงปาราเหตุนั้นจึงได้ทรงสั่งให้พระทั้งหลายถืออุปชายยะที่แปลว่าผู้เข้าไปเพ่งโดยความก็คือผู้ดูแล วิธีที่ให้ถืออุปชัยะนั้นในตอนแรกน่าจะเช่นเดียวกันกับการจัดให้มีพระพี่เลี้ยงที่ใช้กันอยู่ในบัดนี้แปลว่าพระที่บวชเข้ามาต้องมีภิกษุผู้บวชมานานเป็นผู้ดูแลอีกส่วนหนึ่งเรียกผู้ดูแลนั้นว่าอุปปัชชะต่อมาก็มีเล่าไว้ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากชื่อว่าราธาได้มหาภิกษุทั้งหลายขอบวช พวกภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาที่จะบทให้ราธะพรามนั้นก็เสียใจพ่ายผอมลงไปพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสถามราธานั้นก็กราบทูลเล่าให้ทรงทราบ พ, พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาและตรัสถามว่าใครระลึกถึงอธิการคืออุปการะของพรามนั้นได้บ้างพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าตนระลึกได้ คือพราหมณ์นั้นได้เคยถวายพิษาแก่ท่านทัพพีหนึ่งเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคริสพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พระสารีบุตรบรรพชาอุปสมบทพราหมณ์พระสารีบุตรรับพระพุทธบัญชานั้นแล้วก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้อุปสมบท ด, ด้วยวิธีอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้ส่งให้เลิกวิธีอุปสมบท ด, ด้วยติสรณคมนุปสัมปทา ซึ่งอนุญาตให้พระภิษุทิ์เฉพาะรูปให้อุปสมบทคุรบุตรด้วยวิธีให้ไตราสารณาคมและได้ทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทขึ้นใหม่ด้วยให้สง์เป็นใหญ่ในการอุปสมบทนั้นและต้องมีการเสนอยัตติในสงหนึ่งจบสวดประกาศกันอีกสจบรวมเป็นสจบทั้งยัตติวิธีอุปสมบทด้วยวิธีอย่างนี้จึงได้เรียกว่ายัตติจตุภกรรมอุปสัมปทา ในสภานิติบัญญัติบัดนี้ก็ใช้วิธีคล้ายกันนี้ที่ใช้ยัติผลหนึ่งและปรึกษากันอีกสามวาระก็เป็นสี่วรรคทั้งยัติตั้งแต่นั้นมาก็ใช้วิธียัติยตุทกกรรมอุปสมบทจนถึงบัดนี้และพระสารีบุตรจึงได้อุปสมบทราธาพามด้วยวิธีนั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาก็ชื่อว่าได้ส่งมอบให้สงเป็นใหญ่ในการอุปสมบทและในสังฆกรรมทั้งปวง ประเภทของสงคำว่าสงนั้นแปลว่าหมู่ในที่นี้หมายถึงการกาสงคือหมู่ของภิกษุผู้กระทำกรรมมีจำนวนอย่างต่ำตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปและได้มีกำหนดไว้โดยย่อดังนี้จะตูววักสงคือสงที่มีจำนวนภิกษุผู้ประชุมกันสี่รูปนี้เป็นการกาสง ที่สามารถทําสังฆกรรมทั่วทไปเว้นแต่สังฆกรรมที่ระบุจํานวนมากกว่าปัญจวัคสงสงมีจํานวน5รูปประชุมกันนี้สามารถทําสังฆกรรมได้แก่ประวาณาออกพรรษาอุปสมบทกุลบุตรในปัจฉิมชนบทหรือปัจจันตชนบทถ้ามีจํานวนต่ํากว่านี้คือสี่รูปทําไม่ได้ทศวัคสง ทรงมีจำนวนพิสษุประชุมกันสิบรูปขึ้นไปสามารถทำสังฆกรรมคืออุปสมบทกุลบุรในมชิมะชนบทหรือมชิมะประเทศถ้าตา่มกว่านี้ทำไม่ได้วิสติวัคสงทรงมีจำนวนพิสู20สรูปขึ้นไปสามารถทำสังฆกรรมคือการให้อภภานแก่พิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษและอยู่ปริวาทมาณ รบกำหนดแล้วมาขอให้สูงจํานวนนี้สวดชักข้าวหมู่ตามเดิมถ้าจำนวนต่ํากว่านี้ทําไม่ได้เมื่อทรงอนุญาตให้สงเป็นใหญ่ในการประกอบสังฆกรรมดังนี้จึงต้องมีกําหนดลักษณะในการประชุมกันอีกหลายอย่างเมื่อครบทวนมเรบุลก็เรียกว่าสมบัติถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องก็เรียกว่าวิบัติถ้าเป็นสมบัติก็ใช้ได้ถ้าเป็นวิบัติก็ใช้ไม่ได้กล่าวคือ 1. นึ่งเกี่ยวแก่วัตถุได้แก่ที่ตั้งหมายถึงบุคคลหรือเรื่องที่เป็นที่ปรารภทำสังฆกรรมนั้นๆเช่ น, นในพิธีอุปสมบทวัตถุก็หมายถึงอุปสมบทาเปกขะคือตัวผู้ที่จะอุปสมบทจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้เมื่อถูกต้องจึงจะเป็นวัตถุสมบัติใช้ได้ถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นวัตถุวิบัติใช้ไม่ได้ 2. เขตชุมนุมอันเรียกว่าศีมาก็จะต้องเป็นเขตชุมนุมที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้จึงจะเป็นศีมาสมบัติถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นศีมาวิบัติใช้ไม่ได้ 3. เกี่ยวกับบริษัทคือภิกษุที่มาประชุมกันเป็นสองนั้นก็จะต้องเป็นภิกษุตะกะตะตระคือภิกษุปกติเม่ไห้เป็นผู้ต้องประราชิก หรือไม่ได้ถูกสงยกวัดและไม่ละหัตถบาทกันหัตถบาทแปลว่าบ่วงมือคือเข้ามานั่งใกล้กันอยู่ในระยะที่เอื้อมมือของกันและกันถึงถ้าจะนับก็ขนาดศอกคืบจากกันและกันไม่ห่างจากนั้นประชุมกันอยู่ในหัตถบาทดังกล่าวนี้ในสีมาอันเดียวกันคือในเขตชุมนุมอันเดียวกันและในขณะที่ประชุมกระทาสังฆกรรมอยู่นั้น ภิกษุที่นั่งในที่ประชุมก็ไม่ออกไปนอกหัตถบาทและภิกษุข้างนอกก็ไม่เข้ามาในสีมาถ้าเข้ามาก็ต้องเข้ามาในหัตถบาททีเดียวถ้าถูกต้องดังนี้เรียกว่าปริสสะสมบัติถ้าผิดพลาดไปก็เป็นปริสสะวิบัติใช้ไม่ได้ 4. กรรมวาจาที่สวด น, นั้นก็จะต้องถูกต้องเช่นในพิธีอุปสมบทนั้นจะต้องตั้งยติผลหนึ่ง อนุสาวนาอีกสามหนและในยติในอนุสาวนาก็จะต้องมีระบุชื่อผู้ที่จะขออุปสมบทระบุชื่ออุปชายยะระบุรายละเอียดต่างๆและต้องว่าให้ครบถ้วนถูกต้องจึงจะเป็นกรรมวาจาสมบัติถ้าผิดพลาดไปก็เป็นกรรมวาจาวิบัติใช้ไม่ได้สำหรับจำนวนพิสูจน์ที่จะเป็นสงในวิธีอุปสมบทนั้นในมัชฌิมชนบท หรือมัชชิมะประเทศจำนวนตั้งแต่สิบรูปขึ้นไปในปัจจันตะชนบทตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปมัชชิมะประเทศนั้นโดยตรงก็หมายถึงส่วนกลางของจมพูทวีปในสมัยนั้นดังที่มีแสดงไว้ในพระพุทธประวัติว่าทิศนั้นจดเมืองนั้นนั้นเมื่อรวมกันเข้าทั้งหมดท่านว่ามุตทิงคสันถานูมีสันฐานดังตะโพนเพราะเป็นถิ่นที่เจริญ และมีพระมากหาพระมาอุปสมบทสิบรูปได้ง่ายจึงได้ตรัสไว้ดังนั้นแต่ในชนบทหรือในประเทศถิ่นนอกไปจากนั้นก็เรียกว่าเป็นปัจจันตะชนบททั้งหมดใช้พระห้ารูปก็ได้ถ้าถือตรงตรง ต, รงตามเช่นประเทศไทยเรานี้ใช้ห้ารูปก็ได้แต่ว่าถ้าถือตามวัตถุประสงค์ว่าประเทศที่หาพระง่ายก็สบรูปหาพระยากก็ห้ารูป ก็ไม่ควรจะใช้พระเพียงหรูปในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระมหาสมณานิยมไม่ให้ใช้ให้ใช้แต่สิบรูปขึ้นไปในอินเดียเดี๋ยวนี้ที่เป็นมัชิมประเทศในสมัยนั้นรั้นมาถึงสมัยนี้จะหาพระ ถ, ถึงสิบรูปก็คงลำบากแต่ว่าถ้าจะไปบวชในอินเดียในเขตที่กาหนดว่าเป็นมัชิมาชนบทหรือมัชิมาประเทศก็ต้องถือตามวินัยบัญญัติไว้ น้อยกว่าสิบใช้ไม่ได้น่าสังเกตสีมาวัดบวรนิเวศวิหารนี้ที่มีประวัติการผูกสามคราวคราวแรกก็ผูกเท่ามุกหน้าของพระอุโบสถนี้ครั้งที่สองขยายออกไปถึงแนวพลิงิ์โดยรอบครั้งที่สจึงขยายออกไปอีกด้านหน้าพระอุโบสถที่มีต้นจันทร์ทั้งสองเป็นนิมิตด้านข้างคือด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก นั้นมีบ่อน้ําเป็นนิมิตเบื้องหลังก็มีเสาหินคู่หนึ่งนั่นเป็นเขตนิมิต ร, รวมกันเข้าก็ป่องกลางมีสันฐานดังตะโพนเหมือนกันบางทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะได้ทรงจับเอาเขาว่ามุดทิงขสันฐานโนที่ว่ามัชชิมประเทศมีสันฐานเหมือนดังตะโพนสีมาวัดนี้มีสันฐานเหมือนดังตะโพนเสด็จกรุงกบิลพัท ในระหว่างพรรษาทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จกรุงกบิลพัส์สกชชนบทในหลักฐานชั้นบาลีบ่งว่ารวมอยู่กับแคว้นโกศลดังที่ในตอนปลายพุทธกาลเล่าถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้ามีพระชนแปสิพรรษาพระเจ้าประเสที่โกศลก็มีพระชนแปสบพรรษา พระพุทธเจ้าเป็นชาวโกศลพระเจ้าประสเสนที่ก็เป็นชาวโกศลแต่อาจจะย่าเป็นแคว้นอิสระในบางครั้งก็ได้แต่ในหลักฐานชั้นอัถกถ า, กาหลังลงมากล่าวว่าเป็นแคว้นอิสระซึ่งมีพระเจ้าสุดโททนะพระพุทธบิดาเป็นพระราชาแห่งแคว้นสั ก, กัดนั้นมีกรุงกบิลพัฒน์เป็นนครหลวงท่านเล่าไว้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงพนวดพระเจ้าสุดโททนะ ก็ได้ทรงคอยฟังข่าวอยู่เสมอเมื่อตรัสรู้แล้วได้เสดจจาริกประกาศพระพุทธศาสนาจนมาประทับอยู่ที่พระเวรุวันในกรุงราชคฤืดพระพุทธบิดาก็ได้ทรงสดับข่าวนี้มาโดยลําดับและได้ทรงส่งทูตมาทูลเชิญเสด็จไปกรุงกบิลพัทผู้ที่มานั้นก็มาฟังธรรมและบวชในสำนักพระพุทธเจ้าไม่กลับไปจนถึงพระพุทธบิดาได้ทรงส่งอำมาตผู้หนึ่งชื่อว่า กาลุทายีแปลว่าอุทายีดำเพราะมีผิวดำสักหน่อยเป็นทูตมาเชิญเสด็จอัมมาตกาอิทายีนั้นเมื่อได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมก็ได้บวชและได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงกบิลพัทพระพุทธเจ้าติณเสด็จจากกรุงราชครืดทรงดำเนินด้วยพระบาทไปยังกรุงกบิลพัทโดยลำดับ ในชั้นบาลีไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจนเสด็จเมื่อไรแต่ว่าในชั้นอจักกถาได้แสดงเวลาไว้ดังนี้พรรษาแรกได้ทรงจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิตรตนมฤรทายวันถึงวันรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดออกพรรษาแล้วก็เสด็จไปโปรดชะตินประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเป็นเวลาถึงสมเดือนคือจนถึงกลางเดือนยี่ต่อจากนั้น จึงเสด็จไปกรุงราชครืดทรงรับพระเวรุวันวันสิ้นเดือนยี่ประทับอยู่ที่พระเวรุวันจนถึงกลางเดือนสี่วันรุ่งขึ้นจึงได้เริ่มเสด็จไปกรุงกบิลพัทซึ่งท่านพนนาไว้ว่ามีหนทางห0สโยชน์และเสด็จพระพุทธดำเนินไปเพียงวันละหนึ่งโยชน์ต้องใช้เวลาสองเดือนถึงกรุงกบิลพัทในวันกลางเดือน6ซึ่งเป็นวันวิสาขาปุณณี โยดในครั้งนั้นจะเป็นระยะทางเท่าไรไม่อาจจะทราบได้แน่แต่ว่าอาจจะเทียบได้ที่กล่าวถึงระยะทางจากพุทธคยาคือที่ตรัสรู้ไปถึงป่าอิสิปตนะมรุกทายวันเป็นระยะทาง18โยดเดี๋ยวนี้ทางในแผนที่ปัจจุบันตามทางรถไฟตก120ไม้ย่ไมอยนหน่อยคือไม่ถึง120ไม์ดีที่เป็น18โยดก็อาจจะคิดเทียบเคียวได้ดังนี้ ส่วนระยะทางจากกรุงราชคริถึงกรุงกบิลพัทแควนสักกานั้น60สโยชน์เสด็จวันลโยชน์ที่กล่าวว่าสเสด็จไม่รีบร้อนเมื่อไปถึงพระญาติมีพระพุทธสุโทธทนะเป็นประธานก็ถวายการต้อนรับและจัดให้ประทับที่อารามของเจ้าสกยะองค์หนึ่งชื่อว่านิโครธจึงได้เรียกว่านิโครธารามในชั้นแรกพระญาติชั้นผู้ใหญ่คือ ผู้ที่สูงอายุกว่าไม่ยอมถวายบังคมคือไหว้พระพุทธเจ้าเพราะวงศักยะนี้เป็นผู้ที่มีมานะแรงมากไม่ยอมแสดงความเคารพแก่ผู้ที่อ่อนอายุกว่าท่านแสดงว่าฝนโบกระพัดได้ตกแปลว่าฝนที่มีสีแดงและพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเวสันตรชาดกคือเรื่องพระเวสสันดรที่มีความโดยย่อว่า พระเจ้าสรรชัยแห่งศรีวีรัฐได้มีพระโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเวสันดรประสูตรแต่พระนางพุทธดีพระเวสันดรนั้นครั้นเมื่อมีพระชนเจริญขึ้นก็ได้ทรงอภิเษกกับพระนางมัตสีมีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าชาลีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่ากันหาพระเวสันดรเป็นผู้ที่มีพระหัตถ์ใหกว้างขวางทรงบำเพ็ญทานอยู่เสมอ มีพระอัทยาศัยน้อมน้ปไปในทางมริจากอย่างไม่อั้นและไม่หยุดยั้งได้ประทานช้างผือสําหรับพระนครแก่พราหมณ์ชาวกาลินครัตไปชาวเมืองจึงเกิดความไม่พอใจประชุมกันให้พระเจ้าสัญชัยในประเทศพระเวสสันดรพระเจ้าสันชัยก็จำต้องทรงปฏิบัติตามความประสงค์ของประชาชนในประเทศพระเวสสันดรไปพร้อมกับพระชายากับพระโอรสพระธิดาทั้งสี่พระองค์ ได้เสด็จไปทรงผนวดเป็นฤาษีอยู่ในป่าแต่ก็ยังมีพราหมณ์ชูชกไปทูลขอพระชาลีพระกันหาพระเวสสันดรก็ประทานให้ชูชกก็พาพระกุมารกุมารีทั้งสองไปแล้วก็ยังมีพราหมณ์มาขอพระนางมัตสีอีกพระเวสสันดรก็ประทานให้แต่ว่าพราหมณ์ที่มาขอพระนางมัตสีนั้นว่าเป็นพราหมณ์พระอินแปลงเพราะฉะนั้นก็ถวายคืนไว้ ฝ่ายชูชกพาพระชาลีพระกันหาไปเฝ้าพระเจ้าสัญชัยพระเจ้าสัญชัยก็ทรงรับเอาทั้งสองพระองค์ไว้และพระราชทานทรัพย์เป็นการแลกเปลี่ยนพระาชนัดดาและพระเจ้าสัญชัยก็ได้ทรงพาพระราชนัดดาออกไปรับพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีเสด็จกับพระนครเรื่องโดยย่อก็มีเท่านี้โปรดติดตามรับฟัง4 5รษาของพระพุทธเจ้าพระนิพ์ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป